ก็ดีมากเลยนะคะเชิญพี่นาค่ะฟังพี่นานิดนึงนะคะคืออุปสรงคในการฟังนี่นะคะคือว่ากุ้งเนี่ยทำงานกับพี่สีกุ้งเขาก็รู้สึกว่าเรากับเขาแตกต่างกัน อ, อ่อเขาก็จะรู้สึกเป็นแบบเขินอายนิดหน่อยว่านี่เขาจะเล่าอะไรและเราจะฟังเขาหรือเปล่าเพราะว่า ที่ใครว่าเราเราเรากับเขาเไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็พยายามบอกกับเขาเพราะว่าเอาว่าเอารบจนจบแล้วกันนะบอกกับเขาแล้วหลังจากที่สลับบทบาทกันแล้วเนี่ยก็เล่าถึง เ, เขาก็เล่าถึงปัญหาครอบครัวเขาความทุกข์ที่อยู่ในใจเขาเราก็เล่าของตัวเองให้เขาฟังแล้วก็บอกเขาบอกว่าเห็นไหมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ฐา น, นะเลยคนเราเนี่ย อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ความสุขความทุกข์เนี่ยมันก็เหมือนกันแล้วก็ให้เขาพยายามคิดว่าเราเนี่ยเป็นจิต เ, เท่ากันกับเขาแล้วให้เขาช่วยบอกหน่อยว่าไอ้ที่เราเล่าไปเนี่ยเขารู้สึกว่าไงแล้วเขาคิดว่าไงปรากฏว่าเขาตอบได้ดีมากเลยแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนเข้าใจชีวิตเข้าใจเรื่องครอบครัวแล้วก็พูดได้ประทับใจก็ก็เลยให้ความเชื่อมั่นเขาว่าคนเราไม่ได้อยู่ที่ ฐานะชีวิตคนเนียเหมือนกันที่ก็คือคือเวลาฟังกับเขาหมายคำว่าเวลาที่เขาเล่าเรื่องคืออุปสรรคเวลาที่เขาเล่าหรือว่าอ่อุปสรรคก็คือว่าถ้าเวลาเขาเกร็งเกงเขาจะเปิดไม่หมดแต่เราก็พยายามที่จะพยายามแสดงความจริงใจพยายามพยายามไม่ไป ให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาต่างกันพยายามให้เขารู้สึกว่าเออเป็นกันเองหรือคือแต่ว่าเจ้าก็พยายามไม่ไม่พูดอะไรอ่ะแต่ว่าเชียร์เขาเวลามองก็มองพยายามมองแบบจริงใจอะไรอย่างนี้ก็ก็ฟังได้คำให้ยินึงในฐานะเราเป็นคนฟังอายุอันอนี้เป็นยังไงบ้าง ไม่มีใช่ไหมคะโอเคค่ะเอาคนที่คู่ไหนที่รู้สึกมีปัญหาอุปสรรคในการในการฟังค่ะมีไหมคะมีไหมค ะ, อ, อ, ะ อ, อ๋อมีตอนจ้องตาใช่ไหมคะค่ ะ, สะแสดงว่าแตยส่วนใหญ่ทำได้ดีใช่ไหมคะทำได้ดีมีมีอย่างอื่นยังไหมคะที่เป็นอุปสรรคในการที่เราจะฟังคู่ของเรามีไหมคะ คือจริงๆท่านเส้นจิ๋วมีนิดนึงค่ะมีอุปสรรคนิดนึงคือว่าตอนตอนตอ น, ตอนรอบแรกเนี่ยภาษีสรุปได้ดีแล <'d ๆ c oughs> ้วมีความรู้สึกว่าเราฟังภาษีเราเราจะจับเรื่องซูภาษีได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแอบคิดในใจกง <c oughs> ังวลแล้วก็ตายแล้วภาษีพูดไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ปเป็นเรื่องที่ตัวคือแล้วคือรอบแรกเขาทาได้ดีเราเลยรู้สึกต้องทําให้ได้ได้ได้ดีพอๆกันใช่ไหมคะแล้วก็เลยมัวแต่คิดว่าจะจับอะไร คือคิดอ่าไม่ไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคแต่ว่ามันก็มีความคิดนี้แวบขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็มันก็เลยแบบว่าอ่าระวังกานฟังนี้อยู่อยู่อยู่แล้วถอดเป็นอย่างนี้เราจะทํำยังไงอะคะถ้าเราจะฟังได้ดีขึ้นก็ต้องไปอยก็ต้อไปอยู่กับที่ที่ที่อ่าสิ่งที่พระศรีกาลังพูดอยู่แล้วเดี๋ยวแล้วจะรู้ตัวยังไงประนั้นท่านจิ๋วรู้ตัวได้ยังไงคือมันรู้ตัวขึ้นมาทันทีหรือว่าก็ความคิดมันโผล่มาก็รู้ว่าพอรู้แล้วก็วาง คลักษณะอย่างนั้นพยายมใช่แล้วแล้วมันมาทีเดียวแล้วหายไปหรือว่ามันมาบ่อยๆมาเป็นละรอบมันมาทีเดียวตอนแรกค่ะออแล้วหลังๆก็ดีขึ้นแล้วมันมันรู้โจทย์ด้วยไงคือมันไวคือตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าโจทย์คือตอนทีนี้ดูแล้วว่าเราฟังเนี่ยเราจะต้องจับประเด็นมั้ยค่ะ เลยเริ่มมีเป้านิดหน่อยนะคะใช่คมีนิดแล้วมีความคาดหวังด้วยต้องทําให้ได้ดีนะคะมีไหมคะอีกท่านหนึ่งค่ะที่คิดว่ามีปัญหาประสัในการฟังมีไหมคะนิดนึงค่ะเชิญค่ะปสีที่จริงมันไม่จะพูดว่าเป็นอุปสรรคไม่เชิงนะคะแต่หมายเขาเป็นการสังเกตจาจิตเราในขณะที่ฟังมากกว่าไปสังเกตว่า มันมีการแว๊บออกนิดหน่อยฮะแต่ก็แต่ก็ก็ไม่เป็นปัญหาคะคือฟังได้ไอ้คือฟังได้เต็มที่ตลอดแต่ว่ามันมันทำให้เห็นว่าใจมนุษย์เราเนี่ยมันมันมีแว๊บหาหนิดหนึ่งค่ะก็ไม่ไม่ใช่การฟังช่วงเมื่อกี้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นแบบฝึกหัดก็เลยรู้สึกว่าไม่จริงแต่ว่าพูดพูดไปก็ทำให้รู้สึกว่า เวลาเราฟังคนอื่นในประสบการณ์ทั่วไปบางครั้งจะจับได้ว่าตัวเองจะคิดเตรียมไว้น้ว่าอ๋อเขาพูดเรื่องนี้มาเราเรามีเรื่องเหมือนกันที่คล้ายคลึงกันเลยเดี๋ยวจะต้องพูดคือไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ความตั้งใจฟังอย่างซึ้งจริงๆกับมันนึกถึงว่าประสบการณ์ของเราที่เราก็อยากจะเล่าให้เขาฟังมันก็ ก็รู้สึกคงอึด อ, อัดฮะช่วงช่วงเมื่อกี้ไม่ครยเด้รู้สึกอึดอัดอะเพราะไม่มีไม่ต่างคนก็ต่างประสบการณ์ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นกูเลยไม่ค่อยอึดอัดให้ฟังกันได้ค่ะก็ เดี๋ยวจะมีอีกรอบนึงค่ะจะขอให้มีอีกรอบหนึ่งนะคะคู่เดิมหรือว่าจะเปลี่ยนคู่ใหม่ดีคู่ใหม่ดีกว่านะคะก็จะขอให้เปลี่ยนคู่ใหม่นะคะแล้วก็ค่ะ <c oughs> อ, อ๋ออ้อ น, นี้อ้อ น, นี้ไว้ตอนท้ายดีไหมคะอันนี้ขอเป็นไว้ตอนท้ายได้ไหมคะพอดีเดี๋ยวเราจะฝึกเรื่องฟังอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ให้ให้พูดทีหลังนะคะ โอเคพอดีเรามีเวลาไม่มากเดี๋ยวอาจจะเลิกเที่ยงคืนได้นะคะงั้นขอขอขอคู่ใหม่ค่ะขอคู่ใหม่นะคะอ่าจะเป็นอีกรอบหนึ่งค่ะขอคู่ใหม่ค่ะก็ขอให้กระจายเหมือนเดิมนะคะอย่าให้กระจุกอยู่ที่เดียวเดี๋ยวเสียงจะตีกันนะคะอะได้ค่ะเชิญค่ะ